ขอนอบน้อมแด่พระราชนตรายกราบคารวะหลวงพ่อผู้วินประธานพ่อทอยความพ่อรบเพื่อนสัตรมิกเจริญพรญาติโยมทุกคนนั่งฟังเอาไว้ดันั้นเรไม่ต้องไปนั่นมันหรอกตั้งใจฟังนั่งตามสบายนั่งสร้างจังหวะล้วคุยกันธรรมดาก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกนะทุกอย่างก็เป็นการศึกษานี้นนเราก็ทาเก็บอารมณ์ร่วมกันตั้งแต่เช้า บางคนก็คิดว่าจะเอาอะไระไ ร, รายงานเนาะเนี่ยมวันก็นั่งฟังโยมพูดรายงานเรื่องปฏิบัติตั้งแต่เช้าของตัวเองเนาะวันนี้ก็คิดว่าจะได้ฟังโยมแต่หลวงพ่อก็ให้ตมาพูดบ้างก็หลายปีแล้วเนาะปฏิบัติมาสิปียังเนี่ยครบสิบปียังโยมเล็กโย ม, ม, มอุ่มอ่าไม่ถึงสิปีเนาะตอนอยู่เฟสโน่หนึ่งก็ไม่ได้ทําต่อ <laughs> อันนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วเห็นไปหาแม่สมพอรอยู่เรื่อยๆเนี่ยอย่างว่าเนาะชาวบ้านไม่งั้นพระจะมาบวชทําไมถ้าเกิดอยู่ทางโลกแล้วมันปฏิบัติถ้ามันมีเวลาปฏิบัตินะก็คิดว่าถ้าเป็นคารวานเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเสียสละมามาบวชมาศึกษามาปฏิบัตนะิเพราะว่าเราเป็นคน จริงอะคือถ้าทําอะไรก็จะทําให้มันรู้ให้มันเข้าใจทําทเล่นๆมันก็จะทําให้เราเสียเวลาไม่เข้าใจก็สนใจเรื่องการดับทุกข์การความทุกข์ในชีวิตนี่แหละเร่งทำมาหากินหาเงินหาทองหาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองนะ่ะมาคิดไว้ถ้ามีเงินเราก็ต้องมาซื้อข้าว ซื้อเสื้อผ้าซื้อซื้ออาหารซื้อสืสาอ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้อพวกยารักษาโรคปัจจัยสี่เหมือนกันทำยังไงถึงจะต้องไม่หาเงินทำไมถึงจะไม่ไม่ได้ทำงานแล้วมีปัจจัยสี่ถ้าเราเป็นคาราวานใครจะเอามาให้เราอะไรก็เลยคิดว่าไปบวชนี่น่าจะสบายน่าจะไม่ต้องทำงานนะนะน่าจะมีเวลาที่จะศึกษา โชคดีนะนะไอ้เมืองไทยเมืองพุทธเราเปิดโอกาสให้คนที่มีศรัทธาจะบวชมาบวชถ้าพระเราไม่ไม่ไปติดอยู่แค่ความสบายที่ญาติโยมให้โอกาสน ะ, ะใช้ใช้โอกาสนะั้นนะ่ะมาภาวนามาปฏิบัติแนวจะได้ประโยชน์มากเลยแต่มาบวชใหม่ๆนี้ก็ ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่หรอกนะคือก็ยังติดอยู่ติดความสบายอยู่ะแต่ว่าบทไปสักพักหนึ่งและมันก็เริ่มคิดคือมันไม่ได้อะไรนะถ้าเกิดไม่ภาวนาทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มันไม่ต่างกับกับโยมหรอกพระนี่นะไปเรียนหนังสือไปสวดมนต์ไปทํากิจธุระหน้าที่ของพระ มันก็เหมือนกับโยมทำงานนั่นแหละพระสามเณรไปเรียนหนังสือไปทำกิจธุระของตัวเองอะนะแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีหน้าที่นะตามที่เะารับมอบหมายเป็นลูกวัดก็มีหน้าที่นะเป็นเจ้าวาดก็มีหน้าที่มันคล้ายๆเป็นหน่วยครูเป็นตำรวจเป็นทหารไปงั้น มีตำแหน่งมียศมีหัวหน้ามีลูกน้องมีหน้าที่การงานของใครของมันนะ่ะนะถ้าเราทาถ้าพระถ้าเนรทำทำตามแค่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับผิดชอบมันก็อยู่ไปวันวันครูพระมีหน้าที่สอนก็สอนไปเจ้าวานหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปอย่างนี้ คือมันมันก็ไม่ต่างกับโยมถามว่ามันพระพิสุสามมณี น, เ, นเยอะๆมานเราเนี่ยมีใครไหมที่ได้ภาวนาปฏิบัติจนเข้าใจคำสอนพระเจ้าตามว่าต่างๆเน่ะโ ย, ยมไปโยมจะเห็ น, นท่านก็อยู่ธรรมดาปกติเหมือนเราอยู่บ้านนี่แหละ วัดก็เป็นบ้านของพระธรรมาก็ดูแล้วถ้าอยู่แบบเดิมๆอ่ะ ม, มันก็จะนะก็จะเหมือนมันก็ไม่แตกต่างอตรตมาก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรที่ก็คิดถึงพระพุทธเจ้านะท่านกว่ากว่าที่ท่านจะรู้กว่าที่ท่านจะตัดสู้กว่าจะได้เอาคำสอนมาสอนเราเนี่ยมันยากเราจะมาเสวยผลบุญผลอานิสงส์ที่ลงพระพุทธเจ้าท่าน ท่านวางท่านนั้นเอาไว้แล้วเนี่ยมันมันจะสบายเกินไปแล้วญาติโยมเราก็มีศรัทธาเยอะด้วยคือพระเนี่ยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกถ้าไปอยู่วัดทำความสะอาดปัดกวาดลานวัดดูแลเซนาสะนะรับนิมนต์ของโยมเนี่ยก็อยู่ได้แล้วนะคือเราไม่ต้องไป ปฏิบัติไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรมากมายก็อยู่ได้สบายแต่ถ้าเราคิดอยู่แค่นั้นนะมันก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มาขนาดอยู่อยู่บวชอยู่ในวัดวัดวัดวันเข้มไม่ใช่วัดปฏิบัตินะแต่อยู่วัดบวชใหม่ๆอยู่วัดบ้านอแล้วก็เป็นสำนักที่เขาสอนเรื่องเขาเป็นสำนักเทศเสียงแต่ว่าถึงแม่ถึงแม้เราจะอยู่ในสถานที่ที่มัน ที่มันไม่เหลือไม่ทําให้เราเกิดปัญญาแต่เราก็พยายามที่จะแสวงหาสถานที่สหสังแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหาหนทางที่จะทําให้เราก็เลยมีโอกาสอัาตมาเป็นคนที่ถ้ามีโอกาสแค่นิดเดียวนาะจะไม่ปล่อยให้มันลอยผ่านไปเฉยๆเนาะ ถ้ามีคนชวนไปทําดีชวนไปปฏิบัติชวนไปในสิ่งที่ที่จะทําให้เราเกิดได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาตมาจะไปยังไปยังมาที่นี่ก็เหมือนกันมาอเมริกาก็เหมือนกันไปอบรมธรรมทูตแต่จริงก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่ว่าเมื่อเขา ให้โอกาสเมื่อท่านให้โอกาสเราก็ไปศึกษาไปเรียนรูนะ้ปฏิบัติเหมือนกันนะอัตมาโชคดีหน่อยคือว่ามีคนให้โอกาสนะให้โอกาสเวลาปฏิบัติเนี่ยอัตมาจะมีโอกาสประหยัดปฏิบัติเยอะกว่าวเพื่อนนะนะนะนะเพราะว่าองค์อื่นเขาไม่ชอบปฏิบัติเขาเขาวลาพระอยู่ด้วยกันเนี่ย หารูปสิบรูปนะ่ะถามว่าใครกเก็บอารมณ์เขาอยากปฏิบัติบ้บางค้าบเดี๋ยวเอาให้ก่อนเขาเขาไม่ค่อยนั่นอแต่มาก็ใช้โอกาสนั้นแหละเขาให้โอกาสเราปฏิบัติแล้วก็เข้าปฏิบัติคนเดียวมันก็เป็นอุปนิสัยเรา เราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วมันก็เลยง่ายเข้ากับเราได้พอดีปฏิบัติอันสาในอรนสาก็เปลี่ยนกันปฏิบัติทีละเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วไม่มีใครปฏิบัติต่อเข้าเก็บต่อแล้วก็อยู่ต่อมันถูกจริตเราพอดีที่จะมาปฏิบัติแบบสารุปเทียนได้โดยไม่ แล้วก็เข้าใจแล้วมันไม่เปลี่ยนวิธีการครเพราะว่าได้ได้เก็บอารมณ์ได้ปฏิบัติต่อเนื่องคือตอมาชอบชอบวิธีชอบการเก็บตัวเก็บอารมณ์นะไม่ชอบครุกคลีมันก็เลยถูกจริตพอดีในอย่างเรามตมาก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบนะคือเราเหมือนเหมือนคนเข้ามาศึกษา มาพุทธศาสนานะเข้ามาเรียนรู้วิธีการเข้ามาก็เจอเจอแบบนี้เลยไม่เคยไปนั่งหลับตาไม่เคยทำวิธีอะไรอย่างอื่นเลยมันก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบ ว, ว่ามันดีหรือไม่ดีก็เลยทำทาศึกษาตั้งใจทำตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้ แล้วก็ได้รับผลแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปทำอย่างอื่นนะพอได้อารมณ์พอเข้าใจแล้วคืออย่างอื่นมันมันมันจืดไปเลยอะ่ะเห็นเพื่อนเขาไปไปเรียนไปศึกษาไปทำอันนั้นอันนี้เราก็คิดว่าคือทำแล้วมันทุกข์อ่ะไม่รู้จะไปทำทำไมนะ ไปเรียนแล้วมันก็ทุกข์ทุกข์คือมันมันต้องไปแข่งขั น, นไปสอบไปอ่านไปจำนะกว่าจะได้จบกว่าจะได้ไปริญญากว่าจะได้เป็นป ร, ริญญาเนี่ยมันต้องไปท่องไปจำํำซึ่งไอเราสัมผัสเนี่ยมันไม่ต้องไปจดไปจําไปท่อ ง, องรู้สึกตัว มีสติเนี่ยมันคือมันไม่ทุกข์อ่ะมันมันสบายแล้วเราทำไมเราต้องไปทำต้องไปแสวงหาความทุกข์อ่ะต่มมาก็นี่แหละพอคือมันมันมันเจอสัจธรรมเจอของจริงก่อนมันก็เลยเรื่องสมมุติเรื่องสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยจืดไปเลยมันก็จืดไปทุกเรื่องเนาะ ให้เราก็คือมันไม่มีความกระสันความอยากที่จะไปได้ไปมีไปเป็นกับอะไรกับเขาเห็นเขาเขาคิดว่าการได้ในสิ่งที่ทุกคนเขาแสวงหาเนี่ยได้จบปริญญาเนี้ยหรือได้เป็นตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมัน คือาประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตนะคือมันคือทางโลกเขายกย่องสรรเสริญกันในการได้ตำแหน่งได้ยศได้เป็นนั่นเป็นนี่นะมั น, นแต่ว่าตมาหิ้วมันก็คือมั น, มนไม่มันไม่ค่อยอ มันไได้อยากเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมามันอยู่แบบธรรมดามันสบายเนาะอยู่แบบคือเรารู้ในสิ่งที่มันมันไม่ทุกข์แล้วมันสบายแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งเรามีตำแหน่งสูงมีภาระหน้าที่มีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะนะอย่าคิดว่าคนเป็นหัวหน้าคนแล้คนที่ประสบ ความสำเร็จอาจจะสบายนะต้องรับผิดชอบต้องทำอะไรหลายๆอย่างเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องดูแลหานั่นแหละมันมันรู้สึกพอได้รู้สึกตัวตัวเดียวเนี่ยมันมันครอบครุมหมดเลยแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ ผู้รู้แจ้งหรือว่าผู้รู้รอบรู้ทั่วรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่งั้นหรอกแล้วก็เราเรารู้วิธีที่จะแก้ปัญหาของตัวเองนะเวลามีทุกเวลากระทบสัมผสัสเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆคือเรารู้วิธีทําไงถึงจะออกจากปัญหาทํำไงถึงจะไม่จมติดทำไมจะแก้ปัญหาได้ทําไมเราถึงจะเป็น อิสระถึงจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้ามีคำหนึ่งที่ว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะคือคือเรารู้วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์มันจะหมดนะแต่ทุกข์มันมีแต่ว่าเราไม่เป็นทุกข์นั้นเองนะตามที่ประสบการณ์ที่ที่เป็นมานะทีนี้มาพูดถึงเรื่องเก็บ อ, นะอารมณ์เนาะญาติโยมก็ อาจจะมันยังไม่เคยที่จะไปว่าคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวอยู่คนเดียวมีใครเคยไมโยมที่ที่อยู่ถ้าเกิดสมมติว่าไปเก็บที่เมืองไทยอย่างเงี้ยห้เก็บอยู่ในกุฏิหรือว่าในบริเวณของเราอยู่คนเดียวเนี่ยน่าจะไปลองทำดูที่นี่ทำได้น ะ, นะช่วงไอ้ถ้าเรามีเวลาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานน ะ, นะถ้ายมคนไหน อยากจะมาปฏิบัติแบบคือไม่ต้องไม่ต้องรอหลวงพ่อมาไม่ต้องรอคอร์สนะมาทดสอบแบบว่าคือไม่ต้องทําอะไรนะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหนังสือไม่มีเครื่องมือสื่อสารคืออยู่คนเดียวจริงๆอ่ะนั่นก็อยู่คนเดียวจริงๆอ้ตมาอยู่แบบนั้นน่ะแต่ตก่อนนั้นไม่มีหรอกไอ้พวกอันเนี้ยไม่มีหรอกโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรหรอกนั่นอ่ะ แต่ทุกวันนี้มันปัญหาอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เครื่องมือสื่อสารเรานี่แหละทำไงเราถึงจะตัดกนะารติดต่อกับผู้อื่นได้เนะนี่ยตรงเนี้ยแต่เราจะทำให้เราได้อยู่กับคนเดียวอยู่กับตัวเองจริงๆนะมันจะได้เห็นตัวเองเห็นความคิดก็เห็นชัดนะเป้าหมายของการในปฏิบัติของเราเพื่อให้เห็นความคิดนะยกมือรู้สึกตัวก็จริงแต่ว่าเป้าหมายตั้งจริงนะหลวงพ่อเทียนบอกให้ไปเห็น ต้นต่อเห็นในความคิดนั่นนะถึงถึงเราจะรู้สึกตัวนะในปัจจุบันขณะที่เราทำนะ่ะรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้ายังไม่เห็นความคิดก็ยั ง, ย, งยังถือว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงการที่เราจะเห็นความคิดตัวเองได้นะ่มันมันต้องอยู่คนเดียวจริงๆนะคือเราจะรู้ว่าเราเราอยากจะทำมันอยากจะ ความคิดนะ่ยมันจะชวนเราไปทําอยากไปให้เราออกจากการเกรล้งบัลมหรือออกจากดึงเราออกไปคิดไปทําอะไรนะคือจะเห็นความอยากความคิดตัวเองชัดเจนนะมันจะเห็นจิตที่มันดินน้นรนที่มันความเคยชินอนะ่ะเราจะเห็นความต้องการความอยากของเราอนะ่ะมันอยากไปทําอะไรมันอยู่คนเดียวนะมัน <laughs> มันไม่ได้พูดได้คุยกับใครนะอยู่ได้เพราะนั้นอนะ่ะเพราะความค่อยใจตรงจุดนั้นนะ่ะ ต่ตมาก็เข้าใจตั้งแต่ปี2543นะปฏิบัติอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะมะั้งแต่ว่าได้ไม่ได้ทำต่อเนื่องหรอกคือทำอยู่ทักปีปีสี่สองก็ไปปฏิบัติปีสี่สาก็ได้สัมผัสอารมณ์คือความอารมณ์รูปนามอารมณ์ความรู้สึกตัวนี่แหละมันก็พัฒนาของมันมาเรื่อยๆมันมันก็ยังคงอยู่นะจนถึงทุกวันนี้น ะ, นะ มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่เป็นคนเป็นคนเดิมแต่ว่าจิตใจมันเปลี่ยนจิตใจมันเปลี่ยนใหม่มันจะมองโลกไม่เหมือนเดิมความอยากความปรารถนาแบบโลกโลกมันก็จะหายไปมันเป็นอิสระจิตนะจิตวินอิสระันไม่ใช่ร่างกายนะจิตเป็นอิสระคือเวลาเราทำอะไรเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยมัน มันมันจะไม่ไปเอาจิตใจไปข้องไปเกี่ยวด้วยหรอกเราก็ทําได้พูดได้กินได้ไปได้ทําเหมือนคนปกติธรรมาดา้แหละทํางานได้ทําหน้าที่ตามปกติแต่ว่าเราจิตใจมันมีที่อยู่ะจิตใจมันมีที่มันอยู่ว่าจะต้องวางใจยังไงต้องอยู่แบบไหนเราไม่ต้องไปบอกว่าเ อ, อต้องทําอย่างนีน้อย่างนี้แหละต้องคือจิตมันจะหลุด อ, อ จิตใจเรามันจะรู้เองว่าเออต้องเออเวลาสัมพันธ์กับคนนี้นะอยู่กับคนนี้อเราจะต้องทํำยังไงนะทําไงเรา จ, จึงจะไม่ทุกข์กับเขาอย่างงี้นะเพราะว่าชีวิตคนเรามันชีวิตจริงอราอยู่คนเดียวไม่ได้นะเต้องสัมพันธ์กับสามีภรรยาที่เป็นชาวบ้านนะครอบครัวญาติพี่น้องเนะียมันต้องปฏิสัมพันธ์มันต้อง คนเรามันเป็นสังคมะเนาะมันจะอยู่คนเดียวไม่ได้นั้นเราจะรู้ถ้าเรารู้สึกตัวเข้าใจอารมณ์รูปนามสมุติปรามาัดถ้าถึงปรามัิก็สบายละอารมณ์ปรามัิไม่ใช่แบบเป็นแบบจำแบบไปอันนั้นนะคือมันมันจะจิตใจมันจะเปลี่ย น, นคือ มันมันไม่ใช่ว่าเรามันไม่ใช่เป็นสัญญาความจำจริยใจจะเปลี่ยนเห็นความคิดเป็นความคิดคือมันจะแยกออกมันระหว่างไอ้ระหว่างเราความปรุงแต่งนะระหว่างเราเป็นคนปรุงแต่งเป็นคนคิดกับความคิดที่มันปรุงแต่งที <het you>? ่ม <ette> ันคิดของมันเองมันจะแยกออกเรามันจะไม่ปนกัน คือจะไม่สงสัยจะไม่มีคําถามแล้วว่าทําไมคําว่าทําไมจะไม่มีเวลาเราคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะทำไมถึงคิดทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมันจะไม่มีหรอกถ้าเราเห็นความคิดจริงๆก็มันก็จะเห็นเป็นธรรมดาปกติไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วจะไม่คิดอะไรเนาะเข้าใจแล้วจะไม่ได้คิดอะไรไเพราะว่าเรายังมีจิตใจมีรูปมีนามมี ถ้าสี่ขันหมันก็ต้องคิดมันก็ต้องปกติธรรมดานะแต่เราเราจะต่างจากคนทั่วไปตรงที่ว่าเราเข้าใจถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเข้าใจนะมันจะต่างนะจะไม่สงสัยเรื่องที่เราเกิดขึ้นภายในใจ น, นั้นก็เป็นผลนะแต่เหตุเนี่ยเหตุก็คือเราจะต้องอยู่คนเดียวสร้างสิ่งแวดล้อมธรรมาว่าที่นี่เหมาะนะ วัดในอเมริกาอาตมาก็ไปหลายวัดอยู่มาที่ที่วัดมหาชนกในเหม่ออยู่แต่ว่าถ้าอาจารย์ประสันท่านเข้าใจวิธีการอุบเทียนนะถ้าเปิดโอกาสให้คนที่แก้หนี้วอลตัวเองได้ได้มีโอกาสได้อยู่คนเดียวนะแต่ว่าถ้าอาตมามาอยูน่นี่อาจจะทําทางจงกรมนะเพราะว่ามันไม่มีทางจงกรมทํากรอบนะคือคือมันต้องมีแบบมีบอกว่าต้องเดินอย่างนี้นะเดินนะสิบเก้าหรือสิบสองเก้า ทำเดินไม่เกินสิบห้าก้าเงี้ยคือคือมันก็มีทำไมจะต้องแค่นั้นเนี่ยนะมันมันก็มีนั้นอยู่นะไม่ใช่ว่าอยากเดินแค่ไหนก็เดินเดี๋ยวเดินตรงไหนก็เดินมันมันนมันไม่เข้าใจหรอกบางคนเดินอ้อมบัดก็คือเดินก็ต้องเดินอยู่ตรงนั้นแหละปฏิบัติก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ย้ายไปเรื่อยนล่นะไม่ใช่ตรงนั้นน่าจะดีตรงนั้นน่าจะดี เดินมันไม่มันไม่เป็นที่แต่เราทำบล็อกอยงเงีอาเดินตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละทั้งวันไม่ต้องไปไหนแหละอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องอยู่ในห้องก็ได้ไม่ต้องว่าอยู่ในบริเวณของเราเนี่ยเวลานั่งก็นั่งตรงนั้นแหละเวลาเด่งก็เดินตรงนี้แหละนะเดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินอยู่ตรงนั้นแหละนะลองดูสิทักห้าวันเจ็ดวันเงี้ย คือถ้ามันมันไม่ได้ผลตอนนี้ไม่ได้ผลช่วงที่เราทำเจ็ดวันนี้แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตปกติธรรมดาใช่หมละ่ะแล้วก็มีโอกาสก็ามาลองดูใหม่ทำจนจนไม่แตกต่างนะปฏิบัติทำทาเหมือนกับไม่ได้ทำอะยมยกมือเนะี่ย กับไม่ได้ยกมือนะ่ะให้มันเหมือนกันนะ่ะจนจนมันเหมือนกันเราถึงจะอยู่ในก็อยู่ได้ลนะใช่เนีายคือให้มันรู้สึนั่งอยู่เฉยเฉก็รู้สึกตัวเนาะคือไม่ต้องยกมือก็รู้สึกตัวนะะแต่ว่าต้องทําก่อนก็นจะเป็นอย่างนั้นต้องทำต้องทำในรูปแบบเยอะเลยลนะ่ะทําปฏิบัติอยู่คนเดียวยกมือเดินจงกรมยกมือเดินจงกรมอยู่นะ จนจิตใจเปลี่ยนแล้วทีนี้แล้ะถ้าเราเข้าใจแล้วเราออกไปใช้ชีวิตอยู่บวกข้างนอกใช่ไหมเราไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้ยกมือมันก็จะรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเดินจงกรมยกมือนั่นถึงตอนนั้นน่ะเตียนะไปทําที่ไหนก็เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนที่เราคือเรารู้สึกตัวไปไหนมันก็ติดตามติดตามเราไปตลอดนั่นนะก็ต้องทําให้มันถึงให้มันได้ก่อนต้องให้ความสําคัญ มีฉันทะนะมีความพอใจที่จะทำมีความรักที่จะทำสิ่งนี้ที่จะเรียนรู้สิ่งนี้มันถึงจะสแสวงหาโอกาสว่างเมื่อไหรก่ก็ทิ้งนะโทรศัพทิ้งภาระนะว่างเมื่อไหรก่กนะ็ดูตัวเองนะ ทำที่บ้านตัดตัดสิ่งที่บ้านอะไรตัดทำที่บ้านก่อนก็ได้นะแต่มาเป็นตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะเป็นคารวาเนี่ยที่ว่าตัดพาราเนาะนะตัด เ, เพื่อนตัดพี่ตัดน้องตัดคนรอบข้างเลือดที่มาบวชได้เพราะว่ามันไม่มีใคร ไม่มีใครคบนาไม่รู้จะคบใครแลาจะคุยคุยเรืใครนะคืออยู่อยู่อยู่ทั้งโลกก็คือเราตัดหมดเลยตัดเพื่อนมันไม่มีไม่มีแบบว่าที่จะชวนเราไปทําดีไม่มีอะทั้งโลกอะจะชวนไปกินเล่าไปเที่ยวไปเล่นเห็นไถ้าเราไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่เล่นไม่ไปอย่างนั้นมันเราจะหาเพื่อนได้ไหมไม่มีใช่ไหม มันก็เหมือนเราอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยไม่มีใครครบแล้วก็ไม่คบใครเงียมันก็เลยไปบวช ด, ดีกว่าอยู่ก็เหมือนกับเหมือนเป็นสันโดดเป็นฟ้าคือมันแต่ว่าอาตมาไม่ได้คิดแบบอยากจะไปทำร้ายตัวเองหรือไปฆ่าตัวตายนะคืออยากคิดแบบ คิดยังไงให้มันคือมองแล้วมันทุกข์อ่ะไปเที่ยวก็ทุกข์ไปกินก็ทุกข์ไปเล่นก็ทุกข์นะก็เลยว่าทำไงอยู่คนเดียวมันจะทุกข์ไหมเนะนี่ยแกมาบวชมาบวชแทนที่คิดว่าจะจะไม่ทุกข์นะมาบวชก็ทุกข์คนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ปฏิบัติไม่เข้าใจ พูดถึงอารมณ์ปฏิบัติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะว่าเข้าใจยากก็ายากเหมือนกันนะเราเคยกินที่จะหลงอะเราเราเรายังไม่เคยชินที่จะรู้แต่มาเคยดูละครเรื่องหนึ่งนะทำไมเป็นเด็กเรื่องนกรนกระจาบนกกระจาบผัวเมียมีลูกน้อยด้วยตัวพ่อก็าออกไปหากินแต่ว่ามันเพลินกินใน ดอกบัวดอกบัวหลวงใช่ไหมดอกใหญ่ๆมันก็ไม่ได้กลับพอตะวันตกดอกบัวมันก็หกุบมันก็ออกไม่ได้แต่ว่านางนกกระจาบกับลูกเนี่ยบาีเกิดไฟไหม้ใ น, นนิทานนะเกิดไฟไหม้ก็เลยเผาไฟไหม้ลังลูกนกนตาย แม่นกก็อธิษฐานว่าเธอชาติหน้าก็จะไม่พูดกับผู้ชายคนไหนเลยกระโดดเข้ากองไฟตายกับลูกพอน ก, กกลับมาก็ไม่เห็นก็อธิษฐานเหมือนกันออธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าชาติใดก็ให้เป็นเนื้อคู่กันอีกกระโดดเข้ากองไฟตามือนกัน น, นี่ทานเรื่องนอกกระจาบชาติต่อมาก็มาเกิด นะเป็นเจ้าชายชเป็นลูกชายเศรษฐนะีนางนกกระจาดก็มาเป็นลูกสาวพระราชาเี้เคยดูไหมนะ่ะนกกระจาดนางนกกระจาดตอนเด็กๆมีหน้าละครัเสาอันทิศนะออะพอมาเกิดเป็นลูกสาวเสรษฐี ลูกสาวพระราชาพระเจ้าพระมาทากษัตริยนะ์แล้วก็ชายหนุ่มไอ้นกพ่อนกกระจาบก็มาเกิดเป็นชายหนุ่มเป็นลูกเศรษฐีไปเรียนวิชาสามารถถอดดวงใจได้วิชาถอดดวงใจนางนกกระจาบก็มาเกิดเป็นไหนลูกสาวธิดาของพระราชา ก็ไม่ยอมพูดกับพ่อไม่ยอมพูดกับผู้ชายคนไหนเลยพ่อก็เลยประกาศว่าใครทำให้ลูกสาวพูดได้ก็จะยกให้แต่งงานด้วยแล้วก็ให้ครองเมืองยกเมืองให้ครองก็มีคนมาลองก็นางก็ไม่ได้พูดทีนี้ลูกเศรษฐี ที่เป็นพ่อนกระจับชาติกรก็มานะแล้วก็ถอดดวงใจไม่ใช่ให้ให้พี่เลี้ยงถอดดวงใจนะไปอยู่กับสิ่งของนะันแลแล้วก็ก็พูดกับดวงใจพี่เลี้ยงนะทีนี้เจ้าหญิงนะฟัง ชายหนุ่มพูดกับดวงใจคุยกันก็เล่าเรื่องนิทานเป็นนิทานซ้อนนิทานอีกพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ถามปัญหากันพี่เลี้ยงก็แกล้งตอบไม่ถูกนะต้องผิดนางธิดาของพระราชานี่ก็เผลอพูดออกไปนี่นะเผลอพูดออกไปเผลอตอบตอบความจริงอะนะ แต่ไอดวงใจของพี่เลี้ยงแก้งตอบผิดน ะ, นะก็มันก็เล่าหลายเรื่องนะก็เผลอพูดไปหลายครั้งพอเผลอทีไรก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้ทุกครั้ง น, นางน่นนะธิดาของพระราชานะยนะโมอะยก่นเหรออุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ย รู้ไหมทำไมอาจารย์ถึงพูดเรื่องนิทานเรื่องนี้คือเราตั้งใจแล้วว่าจะไม่พูดอ่ะคือยังไงจะไม่ยอมพูดนะแต่พอฟังเขาเล่าเขานั่นมามก็เผลอ พ, พูดทุกทีนะ <laughs> เราตั้งใจแล้วนะว่าจะไม่นะะว่าจะไม่เผลอจะไม่พูดจะไม่คิดนะยกมือในตั้งใจแล้วว่าจะไม่เผอลอละ เมื่อเรายกมือสร้างจะไหวไหมเราตั้งใจดีๆเนะี่ยจะไม่ไม่เผล่นะจะไม่คิดอะไรนะ <laughs> สักพักก็ไปลนะนะอืออัตมาก็เป็นอย่างงั้นแน่ะอือัตมาก็นึกถึงก็เหมือนเราเราก็เหมือนแบบเจ้าหญิงทิดานะเนาะคือพอเผลอที่ไรก็เสียใจร้องไห้ทุกทีนิบาศอืออ๋อถ้าเป็นพูดถึงนิทานก็ เขาว่า จ, จะอธิษฐานเกิดชานะก็ให้เป็นเนื้อคู่กันอีกนันเป็นเรื่องนิทาแต่ว่าที่ประเด็นที่ตมายกมาเนี่ยคือว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะอธิษฐานแล้วว่าจะไม่พูดกับผู้ชายคนไหนเล ย, เ น, ยนะนะแต่มันก็อดไม่ได้เหมือนกับเราเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัตินะว่าจะไม่เผลอคิดที่ไรมันก็คิดทุกทีอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็หลุดไปทุกทีนะเทคนิคนะ จะบอกเทคนิคเวลาปฏิบัติทำไงถึงจะเข้าใจเร็วถ้าทำแบบปฐมมาเนี่เข้าเข้าใจเร็วอยู่นะคือไม่ว่าไม่ว่าจะเผอจะคิดจะปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือให้ให้มันให้มันจบให้มันเฉยเฉยเฉยเฉยไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพอพอเผยแล้วก็ช่างมันเฉยทำเหมือนที่เราไม่ไม่เคยเผอมาก่อนเลยทำเหมือนกับเราที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยทำเหมือนกับเราไม่เค ย, คเลยเหคยลงมาก่อนเนหะมือ น, นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะคือเราทำผิดแล้วก็ไม่ต้องยอมรับผิดหรอกคือคือช่างช่างมันคือคือคือเอาแบบนั้นอนะ่ะ เราถ้าเราไปคิดว่าโอ้เราผิดใช่ไหมเราทำไม่ถูกเนีเ <c oughs> นี่ยมันมันมันเจะยืดเยือไงยืดเยือมั น, ม, นมันไม่จบอ่ะเออถ้าเราเออผิดแล้วก็แล้วไปช่างหัวมันอืทําเหมือนกับเราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอ่ะนะัน <c oughs> ต้องทําแบบนั้นไม่ต้องรับผิดรับชอบไม่ต้องรับถูกรับผิดอะไรหรอก <c oughs> ถูกก็แล้วไปผิดก็ลแล้วไปออแล้วอีกอย่างเนี่ยนะรู้สึกตัวเนี่ยนะ รู้แล้วก็แล้วไปมันจะดีขนาดไหนก็แล้วไปคือเราไม่ต้องไปเออเ อ, อ, อยากจะให้มันรู้สึกตัวตลอดไม่ต้องให้ได้อารมณ์ดีตลอดให้ได้ความสุขตลอดได้ปิติตลอดเออถ้ามันถ้ามันไม่เออมันนี่ทำไมมันไม่เหมือนเมื่อวานอ้าท่านโยมมีคำถามเวลง่วงมันไม่แล้วอ๋ อ, อ, อมันแล้วมันไม่ได้ง่วงตลอดนะ คือเรามันมันไม่ได้ง่วงทั้งวันมันไม่ได้ง่วงทุกวันหรอกมันมันเพิงง่วงเป็นพักๆแต่มันไม่มันก็ไม่ได้ง่วงตลอดใช่ไหมมันก็จบไปง่วงมันก็ง่วงใหม่ใช่ไหมง่วงแล้วก็ง่วงอีกนะง่วงแล้วก็ง่วงอีกคือคือทําไมเราถึงจะเฉยอ่ะทำไมถึงจะจบทําเหมือนกับเราไม่ง่วงอ่ะทำมาซื่อๆทำแบบแบบไม่รู้ไม่ชี้แบบวแบบไม่ต้องรับสิดชอบอะไรนะคือไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ช่างมันไม่ต้องไปรับผิดชอบ คือเราสะบัดคนสะบัดหลังสะบัดนั่นไปเลยไม่ต้องไปนั่นไม่ต้องไปมีเยื่อใยอะไรนะดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างคือให้มันจบจบให้มันขาดนะรู้ให้มันขา ด, ขา ด, ขาดแบบเผลอก็เผลอให้มันให้มันขาดไปเลยไม่ต้องมาว่าทาไมเราเผล่บ่อยทำไมเราคิดบ่อยทำไมเราตั้งง่วงจังวันนี้ทาไมตั้งไม่ต้องมีทําไมอ่ะเห็นไะม คือไม่ต้องมีไม่ต้องมีทุกซ้อนขึ้นมาอีกอะ่ะไม่ต้องมาคิดซ้อนคิดความคิดที่มันที่เราเผลอคิดเนี่ยหรือว่าความง่วงที่เราง่วงไปเนะะี่ยคือมั น, นมันเป็นธรรมารมันบริสุทธิ์นะแต่ว่าความคิดที่สองคือเรามาคิดอีกทีหนึ่งว่าทําไมเราถึงเผลอทําไมเราถึงง่วงทําไมเราถึงคิดเนี่ยไอ้นี้แหละมันเป็นอนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมารมันเป็นอุบทานขึ้นมาแล้วนี ที่จมันหยุดไปแล้วมันจบไปแล้วมันสิ้นไปแล้วแต่เรานี่กลับมามารีฟียดมาเอาใหม่อีกมาคิดสอนคิดขึ้นมาอีกเห็นไหมความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการครั้งที่สองนี่นะเวลาเราไปทําผิดทําอะไรก็แล้วแต่นี่นะทำมันจบไปแล้วอย่างรถชนกันเห็นไหมมันจบไปแล้วนะแต่เรากลับมาคิดเี่ยไม่น่าชนเลยม่น่าจะเกิดขึ้นเลยไอค้ความคิดนี่แหละมันจะทําให้เราทุกข์นะ เราก็คิดถ้ามันเออชนกันแล้วก็แล้วไปก็ซ่อมก็แค่นั้นเองเห็นไหมเสียเสียเงินแล้วเสียแล้วก็แล้วไปหาใหม่อีเงี้ยคือเราแบบมันมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะชีวิตทางโลกเนเราจะเอาแต่ปัญหาที่มันจบไปแล้วน่ะเอามาคิดใหม่น่ะมันรีเฟรชใหม่มันก็เลยทุกข์เห็นไหมสามีภรรยากันนี่นะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่น่ะเรื่องทะเลาะกันนี่นะเรื่องนิดเดียว ะเราจะฟอพดผู้หญิงเนี่ยเอาแต่เรื่องเดิมๆเก่าๆมา่ะ <c oughs> ที่จะ ม, มาเลือกเลือกกับแฟนฟอดเนี่ยนะฟอดเบื่อเบอื่อมากเลยเอาแต่เรื่องอะไรเรื่องไรเนี่เรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องนะเรื่องอะไร <c oughs> เรื่องนิดเดียวนะมันทําไมต้องเอามาเออคือคือคือเอาเอามาย้ำมาตอกย้ํามารีเฟียอยู่เรื่อยอ๋อคือมันจบไปตั้งนานแล้วเรื่องนั้นมัน มันเรื่องเก่าๆใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยทุกซ้ําไปซ้ํามาอยู่นั้นแหละคือไม่ต้องไปนั้นหรอกคือมันเพรมันจบมันสิ้นไปแล้วเป็นอดีตมันอดีตไม่ใช่ว่ายเป็นเป็นเมื่อวานนะไม่ใช่เป็นปีที่แล้วเป็นอดีตคือมันอย่างที่เราสวดมนต์ทำวัดจบไปนะที่เราฟังมันเป็นอดีตมันเป็นจบไปแล้วมันขาดไปแล้วคือเราไม่ต้องไปให้มัน ให้มันติดกันอะ่ะมันไม่ต้องมหมดส่วนหมดนั่นแหละก็พยายามความคิดของเราเนี่ยสาคัญพยายามเราอย่าเอามาย้ำอย่ามานั้นใหม่ให้มันจบไปคิดแล้วก็จบไปจะสั้นจะยาวจะมากจะน้อยจะเพิ่บบ่อยเพิ่นั่นก็ไม่เป็นไรน <c oughs> คือเราไปให้ค่าให้ความสาคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้ น, นมันก็เลย มีความหมายกับเราถ้าเราไม่ไปให้ค่ามันนะนะมันจะคิดมากแค่ไหนคิดดีแค่ไหนก็แค่นั้นแหละคือคือคืออย่าไปคิดว่าอันนี้มันสาคัญกว่านั้นเรื่องนี้สาคัญกว่าเรื่องนั้นมันไม่มีอะไรสาคัญกว่าอะไรหรอกไม่มีใครสาคัญกว่าใครนะเราคิดว่าแม่เราสาคัญกว่าคนอื่นใช่ไหมเราก็จะทุกข์ แม่เราก็เหมือนแม่คนอื่นนั่นแหละคก็ไม่ได้ต่างกับคนอื่นนั้นเท่าไหร่อาจารย์พวกนี้แม่ก็ทุกเอาพูดถึงความคิดไม่ใช่ว่านั้นความคิดเรานะเราคิดเราคิดว่าแม่เรานะ่ะสาคัญกว่าแม่คนอื่นเนี้ยกลับไปบาะบอกะหรอท่นบอก่ได้แล้วเาันคือแต่มาพูดเรื่องความคิดไม่ได้เจอกไเพูดเรื่องความคิดคือว่าเราอย่าไปคิดว่า คืออย่าไปให้ความสำคัญกับอะไรเป็นพิเศษอ่ะนะคือเราเราทุกข์เพราะเพราะความเป็นพิเศษนี่แหละความสำคัญนี่แหละให้ความสำคัญให้ให้ค่าให้ความหมายทำไงเราถึงจะให้มันเสมอภาคกันอ่ะอย่างไรพระพุทธเจ้าเห็นในพระเทวรัชกับพระลาหุนนะท่านรักเท่ากันนะทำได้ยังไงอือท่านไม่ได้คิดว่า ท่าไม่ได้รักลาหนมากกว่าพระเทวทัตนะเราเราก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือ น, นกันนะแเราอย่าคิดว่าเอ อ, ไ, อไม่ใช่ไอเห็นความเห็นในส่วนมากเราจะรักคนนะเราจะติดคนคนที่เรารักเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยจะทาให้เราทุกข์มากที่สุดเลยะสามีภรร ย, ยาพ่อแม่ลูกหลานนี่แหละ โยแม่อาตมาอาตมาพูดอย่างเงี้ยโยแม่โยแม่เข้าใจเนาะแต่ว่าแม่ทำไม่ได้นะแม่ตัดลูกไม่ได้หรอกแม่แ ม, ม่บอกอาตมาว่าว่าอาตมาตัดได้แต่ว่าแกตัดอาตมาไม่ได้หรอกตัดลูกไม่ได้ลูกอาจจะตัดแม่ได้ไดนี่นะคือมันตัดใจไม่ได้ตัดแบบใบ <Skywalker> ตัดความสัมพันธ์ตัดอะไม่ดูแลแล้วไปชอบไม่ใช่อย่างนั้นนะตัดใจไม่ให้ไป้องแวะไม่ให้ไปติด ไม่ ง, งั้นเราก็จะเป็นห่วงก็จะนั่นอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เป็นอิสระใจเรานะไปไหนก็ไม่ได้ก็คอยโทรหาติดต่อถามข่าวกันอยู่นั่นแหละเนี่ยก็ทำแต่ว่าต้องต้องทิ้งตัวนี้ให้ได้ก่อนทิ้งไงตัวเนี่ยตัวร่างกายเรานี่เนาะยังไงเราถึงจะไม่ยึดติดมันมาก ทิ้งร่างกายทิ้งความคิดทิ้งกายทิ้งใจทารู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวละลายเป็นเป็นตัวละอุปทานมันจะตัวมันจะทำให้เราไม่มายึดติดในตัวตนในตัวเองในความคิดของตัวเองัวความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกถูกนะถ้ารู้สึกชัดรู้สึกถูกมันมันจะทำให้เราละลาย ความเป็นอัตตาตัวตนมันมยึดติดในร่างกายความสวยความงามความรอความอะไรมันจะไม่นั้นหรอกบางคนก็ก็ละกายได้ก่อนบางคนก็ละความความคิดได้ตอนอาจมาเข้าใจเรื่องอะไรตรักนะอันนี้จังทุกครั้งน้ำตาอาจารมาเข้าใจความคิดนะเข้าใจความคิดก่อนคือว่าคือคือทำไมถึงถึงเข้าใจอย่างนั้น คือครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้สึกตัวดูกายนะมากๆอย่าไปสนใจเลยความคิดนะ่นะความคิดนี่มันจะทําให้เราเผลอเราทุกข์ <นะ S 2> เราจะไปสนใจมันมากความคิดน ะ, นะครูบาอาจารย์บอกให้มันรู้สึกตัวสอนให้ส่วมากเขาก็บอกอย่างนั้นนะรู้สึกตัวอย่างเดียวะไม่ต้องไปดูความคิดไม่ต้องไปสนใจความคิดหรอก จะคิดมาว่าช่างมันปล่อยไปแต่ว่าพออาตมารู้สึกตัวเข้าใจรูปนามนั้นนะมันไม่เห็นความคิดนะคือเราคือเรารักความรู้สึกตัวเรารักที่จะคือเราเข้าใจว่าความคิดมันทำให้เราทุกข์เพราะว่าตอนเรามาปฏิบัติใหม่ๆครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทำให้เราทุกข์เราทุกข์เพราะความคิดเพราะเราคิดมากเราถึงทุกข์ ว่าอาจารย์ท่านบอกงั้นมันก็เลยมันยังเลยติดตรงนั้นอยู่พอเรารู้สึกตัวเราเข้าใจเรื่องอารมณ์รูปนามแล้วเราก็ยังยังไม่เห็นความคิดอ่ะก็ยังคิดว่าเราถ้าเราคิดเนี่ยถ้าเราไปดูถ้าเราไปสนใจมันเราก็จะไปปรุงแต่งกับมันเราก็จะเป็นทุกข์ไกับมันมันก็จะทําให้เราทุกข์อยู่เรายังเข้าใจอยู่แบบนั้นอยู่ แต่ว่าพอเราเริ่มที่จะปล่อยวางความรู้สึกตัวที่จะไม่ยึดติดไ ใ, ในอารมณ์รูปนามเนะี่เนาะที่เราไม่ยึดติดเราพยายามที่จะสังเกตดูเรียนรู้ความคิดนะนะั่นเนาะต่อมาไปเข้าใจว่าเข้าใจเรื่องของกฎของใจรักในเรื่องของความคิดนะคือความคิดเนี่ยมันมันเป็นสมมุติใช่ไหมมันเป็น ธรรมชาติของมันนะมันมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์หรอกแล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์กับมันนะพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นมันเราก็เลยเราคิดว่ามันทําให้เราทุกข์แล้วตอนนั้นที่อจะมาเข้าใจเรื่องกฎของแต่ละของนิจังคือจิตใจมันเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าเข้าใจธรรมดาจิตใจมันเปลี่ยนอ๋อจริงๆเราเราไม่ได้ความคิดมันนี่ไม่ได้ทําให้เราทุกข์เนี่ยคือเห็นเห็นความไม่เที่ยงอะ่ะ มันคิดแล้วก็หายไปคิดพุ่งแต่งแล้วหายไปคือเราจะไม่ให้มันคิดมันก็ไม่ได้คือคือคือเราเราบล็อกยังไงมันก็ต้องคิดยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องเกิดอ่ะเราจะไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันคิดก็ไม่ได้แตจะไม่โทษตัวเองทีนี้พอพอเข้าใจเห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอน้าตาของความคิดแล้วเนี่ยก็เลยย้อนมาถึงเอ้า มาดูไอร้ร่างกายร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์เหมือนกันะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนมันเป็นอนิจจังเหมือนกันไ อ, อ้ตัวธรรมาเห็นไอ้ความเป็นอนิจจังของความคิดก่อนจึงมาเห็นความเป็นอนิจจังของร่างกายเห็นเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายอ๋อร่างกายก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ คือถ้ามันไม่มียามันก็ไม่นั้นหรอกคือมันต้องมียามีความรู้สึกตัวนะคือมันมันต่างกันจากคนที่คิดรู้กับรู้โดยไม่ต้องคิดอ่ะมันต่างกันอยู่อย่างที่เราเรียนที่เราหลวงพ่อสอนที่เราฝึกมันเป็นการรู้จําการเรียนรู้มันไม่ใช่แบบไอ้มันมันมันรู้คิดอ่ะคิดรู้มันมันใช้ไอ้จินตามันจะมันจะปัญญานะ สุตตะมาจะปัญญาใช้ปัญญาจากการฟังการคิดพิจารณารู้รู้ตามเห็นตามแต่ว่าการการเห็นมันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเทียนเคยท่านพูดไว้อยู่ว่าการรู้คิดกับการเห็นคิดมันก็ลยอย่างกันเราต้องทําให้มันเห็นน่ะถ้ามันเห็นความคิดทําให้เข้าใจให้เกิดปัญญาจากการภาวนาจากการทําซ้ำๆนี่แหละ ทำก็อย่างเทคนิคที่บอกนะทําทําแล้วทิ้งอะ่ะมันจะเข้าใจไว <S <S 1> <S 1> คือถ้าเราทิ้งความรู้สึกรู้สึกแล้วก็ทิ้งรู้สึกแล้วก็ผ่านรู้สึกแล้วก็ผ่านรู้สึกแล้วก็ผ่านมันจะทิ้งความไม่รู้ได้ทิ้งความคิดได้ทิ้งความเผลอได้คือเผลอแล้วก็เฉยช่างมันรู้ไหมอย่างเงี้ยเผลอแล้วก็รู้ไหมเนีย่ยพูดหลวงพอ่พอเขียนพูดบ่อยๆเปลี่ยนลงเป็นรู้นะ เปลนหลงเป็นรู้เปลี่ยนเผลอเป็นรู้เผลอยิ่งเผลอยิ่งรู้ยิ่งหลงยิ่งรู้ยิ่งคิดยิ่งรู้เนะี่ยคือมันมันมันไม่มีเยื่อใยอ่นะมันเผลอแล้วก็แล้วช่างมันเฉย ร, รู้ใหมเนึ่ยพอรู้สึกตัวถูกต้องนี่นะมะมันตัดขาดไปเลยนะคือมันจะไม่ไม่มาย้ำคิดไม่มาว่าทำไมแล้วมันจะไม่มีความคิดซ้อนควาิที่สองไม่มีหรอกคือมันจะเป็นปัจจุบันทันทีเลยลนะ่ะ เรากลับมารู้สึกตัวตัวไม่รู้ตัวเผลอหายไปเลยคือคือตัวนี้มันมันชัดกว่าตัวปัจจุบันปัจจุบันมันก็มีแค่ขณะเดียวนิดเดียวรู้แล้วกับมันมันเร็วยิ่งกว่าวินาทีปัจจุบันมันไม่หาไม่เจอหรอกคือมันเป็นใหม่เสมอทันสมัยใหม่เสมอรู้ทิ้งคิดทิ้งเผลอทิ้งช่างหัวมัน วันที่อาตมาจะได้อารมณนะ์นั่นจะเข้าใจเนาะอาตมาก็คือมันมันไม่ได้เจตนาจะจะคิดอย่างนี้หรอกคือลราทามาตั้งนานแล้วเนะ่ะเก็บอารมณ์มาจะเป็นเดือนแล้วเนะี่ยมันไม่รู้ว่าไม่รู้รู้ไม่รู้รรก็ช่างหัวมันเถอะทําไปอย่างนั้นแหละทำแบบช่างหัวมันไม่ออกทําแบบไม่หวังไม่ไม่ไม่เอาอะไรไม่อยากรู้อยากเห็นนะมันจะรู้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันเถอะเดินแบบอะไร ชมนกชมไม้เดินแต่ว่าแต่ว่ามันเหลือเหลือแต่การกระทำที่ธรามาเข้าใจเพราะมันเหลือการกระทำนะคือความอยากหมดไปแล้วเหลือแต่การกระทำคือมันมันมันยังไม่หมดเวลาไงเราอธิษฐานว่าการอธิษฐานเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าไม่ครบกาหนดเนี่ยจะไม่เลิกทำตั้งใจว่าจะทำสามสิบวันเดือนหนึ่งมันเหลือเวลายังหวัน ก็ทำเล่นๆไปก่อนครบห้าวันค่อยเลิกทำนี่นะมันมันก็เลยเกิดรู้เองขึ้นมามันก็เลยเกิดอไรแบบรู้แบบ อ, อัตโนมัติขึ้นมาก็เลยรู้เห็นเข้าใจความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเออทำทิ้งนะอย่าทาเอาทาทิ้งไปนะรู้ก็ทิ้งไม่รู้ก็ทิ้งนะไม่ต้องปล่อยวางเลยปล่อยทิ้งเลย ฝ่ายวางมันฝ่ยยากนะฝ่ายทิ้งไว้เลยะทําแบบไม่ต้องรับผิดชอบนะผิดก็ไม่ผิดก็ไม่รับชอบก็ไม่รับนะดีก็ไม่เอาค่อยๆนั่นค่อยๆละค่อยๆวางค่อยกับคนอื่นนะค่อยๆแต่ว่ากับตัวเองอย่าไปค่อยนะกับอารมณ์ตัวเองอย่าไปอย่าไปอย่าอย่าไปให้โอกาสกับกิเลสกับความนั้นตัวเองคือเราเรารู้ว่าติดอะไรนะ เรื่องของเราเนี่ยนะเราติดเราชอบอะไรเราพยายามตัดทิ้งละให้ได้แต่เรื่องคนอื่นนะเรื่องความสัมพันธ์คนอื่นนะเราเราจะไปทำรุนแรงไม่ได้หรอกนะคือก็มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาค่อยนั้นกันแต่ว่ากับตัวเองเนี่ยนะกับอารมณ์ตัวเองกับความคิดตัวเองกับความหลงความในความตัวเองอย่าไปให้โอกาสอื ที่ที่เราช้าเนี่ยเพราะเราให้โอกาสไอ้กิเลสตัวเองเลยโอ้เดี๋ยวค่อยนัก็ได้แล้เดี๋ยวค่อยทําไว้ได้เดี๋ยวเราโมแต่เดี๋ยวนั่นแหละมันก็เลยพอกพูนเป็นคือคือถ้าเราคิดได้ตอนนี้ทิ้งตอนนี้เลยละตอนนี้เลยนะอย่าไปอย่าไปรอเวลานะอย่าไปรอเวลา นะพ่อใหญ่เบนทิ้งไม่เชียนทิ้งตอนนี้เลยอย่าไปทิ้งต้องไปรอบวชแล้วไปทิ้งนะคือทิ้งก็ทิ้งก็คือตัดใจไปเลยว่าเออมีอะไรจะให้ก็ให้ไปเลยไม่ต้องไปเซ็นอะไรให้ก็เซ็นไปเลยไม่ต้องไปนั่นหรอกคือม <c oughs> ไม่ต้องไปรอคือไม่ต้องไปรอว่าอ๋อเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว เ, เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเซ็นเดี๋ยวค่อยคือคือคือแต่ว่าต้องต้อง ตัดใจก่อนเนอะคือตัด<ไ>คือทําไมใจเรามันจะไม่ไม่มีเออยื่อใยให้ฝูกพันก่อนแล้วเรื่องภายนอกเรื่องเอกสารเรื่องอะไรภายนอกค่อยค่อยไปว่ากันทีหลังทําไงเราถึงตัดใจได้ตรงเนี้อยากถึงในเรืน่นิทานมอนแค่นั้นนะคือประเด็นคืออัตมาที่ยกนิทานคือว่าคือนิทานคือประเด็นคือตรงที่ว่าเรานั่นแหละแต่ว่านิทานมันก็มันก็ต่อมันไปเรื่อยแหละให้ให้ให้ใหลวงพ่อเนอะาะใครฝิสนาเนาะให้หลวงพ่อ คือคือมันมันเป็นเรื่องนี้ก็ดีนะในอิทานที่ยกมาเนี่ยหลังจากนั้นก็แต่งงาน oh, <okay. S 1> เจ้าหญิงก็แต่งงานกลับไปเจ้าชายที่จริงเอยมันมันมีนั้นอยู่นะคือคือ <Okay. S 1> คือมันมันไม่ได้จบแค่นั้นหรอกมันยาวอยู่นิทานคือคือ <Okay. S 1> ดวงใจนะ <Okay. S 1> ่ะเป็นของดวงใจของพี่เลี้ยงนะ <Yeah. S 1> อดวงใจของพี่เลี้ยงทีนี้หลังจากไอ ่เล้ยงไปอยูู่ผ้ไม่ใช่ดวงใจเออถอดดวงใจไปอยู่กับไปลุงบิดก้อนประตูบ้างอยู่กับโคมไฟตะเกียงบ้างอยู่กับพม่านบ้างอะไรเพราะนะ<ใ>นแต่ว่าหลังจากที่เจ้าชายก็าจะยิงแต่งงานกันแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพีเลี้ยงก็ยังยังอยู่ในอุทยานในยยังอยู่ในราชบังด้วยกันทีนี้พี่เลี้ยงเนี่ยเกิดความชอบเจ้าหญิงน่ะ ก็วันหนึ่งพากันไปเที่ยวป่าไปล่าสัตว์ไปอะไรเห็นกวางตายเห็นนะกวางตายเจ้าชายก็เลยถอดดวงใจไปอยู่ในกวางนะก็ทิ้งล่างไว้ทีนี้อพี่เลี้ยงก็เลยสวมล่างถอดดวงใจตัวเองมาใส่ใส่เจ้าชายใส่ใส่เจ้าชาย แล้วก็ดวงใจ เ, เจ้าชายก็กลับมาก็ไม่เห็นร่างตัวเองนะก็เลยอยู่ในกวางนั้นทีนี้เจ้าชายปลอมนะเจ้าชายทีหัวใจเป็นพี่เลี้ยงก็กลับมาเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็คือคือรู้ได้คือมันมันถุงเนื้อต้องตัวแล้วกันแล้วมันจะร้อนคือ เจ้าชายปลอมมนมาถูกเนื้อต้องตัวเจ้าหญิงไม่ได้มันจะรู้สึกร้อนเจ้าหญิงก็เลยว่าไม่ไม่ใช่เจ้าชายตัวจริงทีนี้ไอ้เจ้าชายตัวจริงนี่ยอยู่ในป่าอยู่ในกวางไปเจอซากนกก็เลยตอดลงใจไปใส่นกแล้วก็บินมาหาเจ้าหญิงอืงใจ เ, เออ <c oughs> คือมันเป็นนิทานหัวใจของไงเสีย <c oughs> นีมาใส่นกแล้วก็บินมาหาเจ้าหญิงก็มาพูดความจริงให้เจ้าหญิงฟังเจ้าหญิงก็เลยหาอุบายให้พี่เลี้ยงเนะี่ยให้เจ้าชายปรเนะี่ยถอดดวงใจไปออก <c oughs> ให้ให้พี่เลี้ยงไงถอดดวงใจออกจากเจ้าชายหาอุบายนะ <c oughs> คืออาจจะไปเจออ ะ, อะไรสักอย่างสัตว์อะไรสักอย่างแล้วก็ให้ลองให้ถอดลงใจไปใส่นั่นดูนะพอพี่เลี้ยงถอดลงใจจากล่างไปใส่สัตว์อื่นแล้วก็เจ้าชายก็เลยกลับล่างเอาหัวใจตัวเองกลับมาใส่ในล่างเดิมได้ ท, ที่จริงเรื่องนี้มันยาวมากเลยนะ ละครเรื่องเนี้ายาวเพราะว่าช่วงที่ไอ้เจ้าชายเล่าให้เจ้าหญิงฟังนะ่ะมีตั้งหลายเรื่องเนาะอืเรื่องไอ้มณิทานซอ น, นิทานอน่ะอืที่ที่ว่าเจ้าหญิงตอบที่ว่าพี่เลี้ยงแก้งตอบผิดอนะ่ะเจ้าหญิงไงพยายามจะแก้อแก้ปัญหาแทนไอ้พี่เลี้ยงนะ่ะตอนตอนที่เขาถอดหัวใจดวงใจคุยกันน่ะนะ คือเขาแกล้งตอบผิดเพื่อจะให้เจ้าหญิงพูดนั่นนะมันก็มีทิทานนั่นนิทานก็ยามันกัน <laughs> นะหลายหลายเรื่องหลายตอนนะแล้วสรุปปิชนาทำเป็นยังไงหัวใจเจ้าหญิงเจ้าชายนกกระจาบอยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งหมดน่นนะอยู่ในตัวเรานี่แหละ แต่ว่าประเด็นที่อาตามายกขึ้นมาพูดนะคือตรงตรงที่ไอ้เจ้าหญิงอ่ะตั้งใจว่าจะไม่พูดประเด็นที่อาตามายกตัวนิทานขึ้นมาก็เหมือนกับเราปฏิบัติแล้วเราตั้งใจว่าจะไม่คิดว่าจะไม่เผลอไม่จะไม่ปรุงนะแต่มันก็เผลอจนได้เผลอคิดจนได้เผลอโทษตัวเองจนไดนะ้แล้วก็ร้องไห้ก็คือทุกข์เสียใจนะจบเนาะ เลยเวลาตั้งเยอะแล้วเนี่ยเอาให้หลวงพ่อสรุปนะ ก, ก็อนุโมทนานะญาตโยมทุกคนก็ขอให้ผลบุญกุศลที่เราได้ทำร่วมกันได้ปฏิบัติร่วมกันสะสมมาก็เป็นพละวัใจจัยให้โยมได้ดวงตายเองทำได้เจอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเพื่อชี้นำจิตใจให้พ้นทุก้ดยการทุกท่านทุกคนเธอ